ค่ะและช่วงนี้นะคะอย่างที่สัญญาไว้ในช่วงแรกของรายการว่าเราจะมีการถามโลกตอบธรรมเดี๋ยวพี่กิวสันสนีจะพาเราไปพบกับเรื่องของการเริ่มวันใหม่ให้ดีกันค่ะหมายถึงว่าอย่างวันเนี้ยเรา <c oughs> ตื่นมาตอนเช้าเนี่ยเราก็อยากจะ <c oughs> เริ่มต้นให้ ม, <c oughs> มันดีไปตลอดทั้งวันเลยมันจะได้ดี <c oughs> ทุกๆวันนะคะ <c oughs> ทำได้มากที่สุดเท่าที่จะทได้คะ่ะได้ส่งวางแนวทางเอาไวใ้ให้กับพุที่สารสนิกชนเนี่ยค่ะอ๋อก็ ต้องเป็นวันใหม่ที่มีสติและสัมปชัญญะอะไรเยอะ <c oughs> ทีนี้บางคนอาจจะยังเข้าใจไม่มากนะ<ย>ว่าสติสัมปชัญญะเนี่ย <transportation> ท่านพอจะยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมเป็นแนวทางในการปฏิ<า>บัติจริงได้ไหมคะก็การมีสติสัมปชัญญะเนี่ยก็คือการที่ให้จิตของเราเนี่ยพยายามอยู่กับปัจจุบันนะพยายามที่ว่ า, ามีความรู้สึกตัวอยู่เช่นว่าตั้งแต่ตื่นนอนเนี่ย เราจะรู้สึกถึงลมหายใจเราก่อนก็นได้นึกถึงลมหายใจเข้าออกของเราแล้วก็ผู้เจ้าบอกการมีสัมปะชั ญ, ญญาเนี่ยเช่นเหยียดแขนคู่แขนการก้าวไปถอยกลับการเหลียวดูแลดูนะการหยิบสิ่งของนะวัตถุเก้าของต่างๆเรามีความรู้ตัวขณะนี้อยู่ตลอดเวลาก็ชื่อว่าเรามีสัมปะชั ญ, ญญาแล้วเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าคนเราตื่นมาตอนเช้าถ้า รู้ตัวก็คือตั้งแต่ลุกขึ้นมาจากที่นอนนี่เลยที่รู้ว่าขณะนี้ลุกขึ้นมาแล้วใช่ทําอะไรอยู่ตอนเนี้น ะ, ะ, ะการเคลื่อนไหวหรือบทร่างกายดึงจิตกลับมาอยู่กับกายปุ๊บเนี่ยขณะนี้เป็นความรู้สึกตัวละเป็นสัมปชัญญะละนะจิตที่กําลังเพลินไปกับอารมณ์ต่างๆนั้นก็พยายามวางวางอารมณ์นั้นไปไม่เพลินกับอารมณ์นะกลับมารู้อยู่กับปิริบทหรือถ้ายังนอนอยู่ยังไม่ได้อ่า รีบรุกไปไหนก็รู้ลมหายใจเข้าออกไปเรื่อยๆดึงสติกลับมาที่กายก่อนทีนี้คนที่อาจจะไม่คุ้นเคยกับการปฏิบัติเพิัครั้งแรกก็งงนะคะแล้วจะเป็นสิริมงคลจะทําให้วันนี้ดีได้ทั้งวันย่งไรคะก็มันทําให้จิตสงบเนี่ยทำให้จิตตั้งมั่นมีอารมณ์อันเดียวมีอารมณ์เป็นหนึ่งเรียกว่าจิตขณะนั้นมีสมาธิแล้วนะสมาธินี่อู้ช่วยได้มากนะเราจะทํากิจการงานอะไรเนี่ยจริงๆเราต้องใช้สมาธิ เกืทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเล่นกีฬาทำงานทำการอะไรก็ตามเนี่ยจิตต้องมีความตั้งใจอยู่กับงานนั้นๆงานนั้นๆมันถึงจะไปได้ดีทำได้ดีนะละเอียดรอบครอบยบกลายในงานนั้นนะมีข้อบกพร่องน้อยก็เท่ากับว่าถ้า มีสติมีสมาธิอย่างนี้แปลงฟันก็จะได้ฟันที่สะอาดมีคุณภาพใช่ใช่ทุกอย่างอาบน้ําก็จะสะอาดทุกตัวจะเรียบร้อยแต่งตัวเรียบร้อยคก็ฟังดูเหมือนง่ายแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวเองก็เคยก็พยายามทําอยู่ทุกวันเนี้นะคะแต่ต้องพูดว่าในทางปฏิบัติทําไม่ง่ายนะคท่านใช่ใช่จึงต้องฝึกไงสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราต้องฝึกอยู่เรื่อยๆ แล้วเทคนิคนะฮะเทคนิคเหรอก็เทคนิคก็คือเพียนเพียนนั่นแหละพยายามสมมุตินะคะขณะนี้กำลังแปลงฟันธก็รู้ว่าเราแปลงฟันอยู่นะออืเสร็จแล้วแวบไปนู่นเลยค่ะเดี๋ยวเช้าวันนี้เราจะไปทันประชุมไหมเนี่ยเราจะติดไหมฝนจะตกอย่างงค่ะเราทำไงคะวางแผนข้าวๆไว้แล้วก็วางซะคเพราะว่ามันอันนิจังนะเกิดออกไปรถยางรั่วไปไม่ได้มันก็อันนิจังทั้งหมดไง ใช่ไหมเพราะนั้นเราทำนับปัจจุบันให้ดีที่สุดเมื่อเราต้องไปเร็วใช่ไหมปัจจุบันตั้งใจนะใส่เสื้อผ้าอาบน้ําอะไรให้ดีที่สุดตอนนี้นะเพราะฉะนั้นมันจะเร็วที่สุดภายใต้ความมีสติของเราภายใต้ความรอบคอบด้วยบางทีเราคิดไปนะอยากนู่นอยากนี่ทําให้เราลนลานตรงนี้ใช่ไหมไอ้ตรงนี้ก็ไม่เสร็จไอ้ตรงหน้าก็ไม่เสร็จเลยไม่ได้ดีสักเรื่องหนึ่งเนี่ยก็ไล่ไปจากปัจจุบันผู้เจ้าเนี่ยพยายามให้จิตอยู่กับปัจจุบัน ทำในปัจจุบันให้ดีที่สุดข้างหน้ามันยังไม่แน่ <c oughs> คือเท่ากับว่าสมมุติอย่าง ก, กรณีเมื่อกี้เนี่ยออพอเราแปลงฟันอยู่เกิดใจมันนึกไปถึงเรื่องอื่นปุ๊บเนี่ยอเอากลับมาที่เก่าเลครเอากลับมาที่เก่าทําตรงนี้ให้ให้ดีก่อนนะถ้าเป็นเรื่องเร่งด่วนจะได้รู้ว่าตรงนี้ต้องทํายังไงให้ดีรีบยังไงจัดการยังไงกับตรงนี้และตั้งใจทําตรงนี้ให้ดีให้เร็วให้ไหวบริหารตรงนี้ให้ดีอย่าง ฝึกทุกวันทุกวันฝึกทุกวันทุกวันก็จะพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นนะสติจะดีขึ้นสัมปชัญญะจะดีขึ้นการทาํางานต่างๆจะดีขึ้นหมดและชื่อว่าเป็นการ เ, าเป็นการสร้างบุญบารมีให้กับจิตด้วยเพราะการสร้างบุญบารมีที่ดีที่สุดสําหรับตัวของเราเองก็คือการฝึกจิตดีที่สุดนะครัดีที่สุดเลยเ ป, เป็นบุญมากที่สุดเป็นบุญมากกว่าการ ท, ดทอดกระถิ่นทอดพระป่าโอ้โหมากกว่าหลายพันเท่า ยังไงแหละเขาเพราะว่าการการมากน้อยตรงนี้ผู้เจ้าวัดเอา <c oughs> ความที่เราพ้นทุก์ได้ง่ายได้เร็วเป็นเกณฑ์น <c oughs> นะเพราะฉะนั้นการการให้ทานการจําแนกแจกทานต่างๆเนี่ยนะเราทําได้หลายๆคนก็ทําได้แต่กายวาจายังไม่ถูกต้องก็ยังมีกายวาจาถูกต้องฝึกดีแล้วศีลดีแต่จิตยังฟุ้งซ่านอยู่ก็ก็มีเะนั้นมันมันจึงต้องมีการฝึกไปตามลําดับ มีความเสียสลระละความตะหนีด้วยการจําแนกแจกพานแล้วก็ต้องฝึกกายวาจาให้ดีด้วยฝึกกายวาจาดีแล้วก็ต้องฝึกจิตให้สงบด้วยสํารวมระวังด้วยอย่างนี้อะไรจะฝึกก่อนกันนะคะอะไรจะฝึกก่อนกันแล้ ว, วาาแล้วแต่เหตุปัจจัยแล้วแต่เหตุตรงไหนจังหวะไหนเนี่ยฝึกได้ก่อนเอาตรงนั้นก่อนไม่ไม่ต้องไปรอกันศินยังไม่ดีไม่เป็นไรสมาธิทําได้ไหมทําไปก่อนน ะ, ะไม่มีเวลาทําสมาธิรักษาสินได้ไหม รักษาศีลไปก่อนก็ได้อันไหนง่ายอันไหนสะดวกทำทั้งนั้นก่อนพระเจ้าเรียกว่าเป็นผู้จับฉวยได้ไวในกุศลธรรมทั้งหลายอะไรเป็นกุศลรู้รีบทำก่อนอย่างนี้เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าอการที่จะมีชี <c oughs> วิตที่ดีออือจะต้องถือศีลจะต้องอปฏิบัติปฏิบัตสมาธิมีสมาธิมีปัญญามีสติสัมปชัญญะศีลนี่เขาไม่ได้ถือเฉพาะคนที่ สละแล้วไปเป็นนักบวชแล้วเท่านั้นแหละค่ะก็คนธรรมดาก็ได้เพราะก็ศีลมีหลายระดับค่ะระดับของคารวะระดับของนักบวชระดับของคารวะพระเจ้าก็ให้ศีลห้าเนี่ยเป็นเกณฑ์มาตรฐานละใครทํายังไม่ได้ครบทั้งห้าข้อก็เอาหนึ่งข้อก็ได้สองข้อก็ได้สามข้อก็ได้นะเราได้สามข้อแรกของศีลห้าเนี่ยเราได้สัมมาเกตมันตเป็นหนึ่งข้อในมัสมีองแปดนะสัมมาเกตมันตถ้าเป็นภาษา ปุถุชนนีพแปล้วอะไรอ๋อสมาทานมัตตะก็สี่ห้าสามข้อแรกก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมอย่างนี้เป็นเป็นเรื่องของมาตรฐานที่ฆราวาทุกคนควรจะมีเป็นเรื่องของการกำกับการกระทํากำกับการกระทําทางกายทางวาจาให้มันถูกต้องนะเพื่อไม่ให้เกิดการเบียดเบียนกันทั้งตัวเองแล้วก็ผู้อื่นก็ถ้าสมมุติว่าอยากจะมีชีวิตที่ดี พระพุทธเจ้าส่งสอนว่าถ้าเป็นคารวาสคือเป็นบุทรชนก็ควรมีศีลอย่างน้อยห้าข้ออย่างน้อยห้าข้อนี่มาตรฐานเลยไม่ถึงห้าข้อก็ได้ไม่ถึงห้าข้อก็ได้ทาทําตามกําลังดังนั้นเนี่ยที่ใหญ่จะถามว่าการเริ่มต้นที่ดีเป็นอย่างไรเนี่ยอาจเป็นเพราะว่าทุกวันนี้สังคมดูเหมือนกับว่า ไ ม, ไม่ไม่ไม่ทราบว่าเป็นเระการสื่อาสารดีขึ้นหรือเปล่านะคะมันทําให้เรารับรู้เรื่องราวต่างๆแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่รับรู้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่รับรู้และมีความทุกข์นะคะออดังนั้นเนี่ย <c oughs> ก็เลยคิดว่าคนทุกคนเนี่ยควรจะมีหลักการเริ่มต้นที่ดีของท่านบอกว่าควรจะมีสติใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงการมีสติในการจะกระทําอะไรก็แล้วแต่ยกตัวอย่างเฉพาะ ตอนเช้าชซึ่งบางทีเราอาจจะอยู่กับตัวเองเนี่ยังจะง่ายหน่อยนะคะาาแล้วการที่จะมีสติอยู่ในระหว่างที่เราต้องอยู่ท่ามกลางคนอื่นๆโดยเฉพาะคนที่ออกไปทำงานเนี่ยคะ่ะมันจะทำได้หรือไม่ได้อยู่ผู้เจ้าบอกไว้อยู่ผู้เจ้าเนี่ยบอกวิธีในการฝึกสติสัมปชัญญะในทุกมุมเลยะนะเดินทำยังไงนั่งทำยังไงนอนอยู่ทำยังไงทางานอยู่ทำยังไง อย่างเช่นทํางานอยู่พระเจ้าก็ให้ใช้วิธีเรียกจิตอธิษฐานการงานเป็นอนุสติฐานที่หกที่บอกไว้กับพรานมุนก็คือให้รู้อยู่กับงานที่ทําในปัจจุบันกําลังเขียนหนังสือใช่ไหมรู้เขียนหนังสือกําลังสอนหนังสือใช่ไหมตั้งใจสอนหนังสือตรงนี้ให้ดีกําลังขับรถใช่ไหมรู้การขับรถกวาดบ้านถูบ้านรู้ขณะทํางานตรงนั้นเลยทําตรงนั้นให้ดีนี่เรียกว่าคนนั้นมีสติสัมปชัญญะแล้วคุณชอบไปอยู่ใน เอาอาแค่บนถนนเนี่ยนะคะก็แย่แล้วนะครับเพราะว่านิสัยในการขับรถของผู้คนบนถนนไม่เหมือนกันแล้วแม้แต่กระไรนิสัยตัวเราเองเนี่ยบางทีนี่เราเราเราจะลดลดปัญหาบนท้องถนนลงได้เยอะเลยเพราะว่าบนท้องถนนนี่เป็นอะไรที่ควบคุมอารมณ์ได้ค่อนข้างยากค่ะคนจะเกิดอารมณ์บนท้องถนนค่อนข้างเยอะก็คือให้สนใจแค่เรื่องขับรถของเราใช่ใช่ใช่ นะสนใจทำตรงเนี้ยให้ดีดูกระจกหน้ากระจกหลังนะการขับของเราอะไรให้มันรอบครอบมีการวางความเมตตาการให้อภัยอะไรต่อะไรนี่นะนะฮะให้มันดีที่สุดนะตรงนี้แค่นั้นแหละก็จะช่วยให้การข<ช>ับรถของเราเป็นไปได้ไดีเพิ่มเติช่วยประหยัดได้ด้วยนะ<ช>ครับใช่ใช่แล้วเราจะใจเย็นขึ้นค<ะ>นปัดหน้าปัดหลังก็ดึงจิตกลับมาอยู่ปัจจุบันก่อนอย่างนี้ มีเรื่องก็น้อยลงมีเรื่องน้อยลงบางทีเนี่ยคนสมัยใหม่ขับรถไม่ถูกใจกันนี่ถึงขนาดค่ากันได้เลยนะใช่่มีเรื่องกันง่ายมากค่ะการเริ่มต้นวันใหม่ของทุกๆคนก็จึงควรที่ลองคิดดูนะคะว่าถ้าท่านอยากจะเป็นคนที่เป็นชาวพุทธและเอาประโยชน์จากศาสนาพุทธมาใช้ในการเริ่มต้นที่ดีก็ให้เจริญสติใช้คานี้หคะเจริญสติ สัมปชัญญะสติหมายถึงความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวการละความเพลินในอารมณ์นี่เป็นประเด็นได้รู้ตัวไะคมเพลินละความเพลินในอารมณ์ความเพลินนี่ก็คือการที่จะเพลิ้งลเพลิ้งลออกจากปัจจุบันที่เราทําอะไรทุกเรื่องบอกว่าต้องฟังเพลงละครอะไรอย่างเงี้ยทุกเรื่องทั้งเรื่องไม่ดีเรื่องดีชื่อว่าเพลินหมดนะนี่เรียกว่าเรากําลังดึงเอาภูมิปัญญาของผู้เป็นศัพท์ัญอูคือรู้ทุกเรื่องเก่งทุกเรื่องคือ พระพุทธมีพระพักเจ้าของเราเนี่เอามาใช้แต่ส่วนใหญ่ดูเหมือนกับว่า <c oughs> เราเนี่ยพอเกิดมาปุ๊บ ก, ก็จะเป็นพุทธศาสนิกชนโดยอัตโนมัตินะคะถ้าเกิดคุณ<า>พ่อยนบ้าน <c oughs> เราเป็นพุทธศาสนาชนส่วนใหญ่จะสังเกตก็เป็นแบบนี้อฮ <c oughs> แล้วก็จะสังเกตอีกอย่างหนึ่งว่าแต่แรกเราก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะในการที่จะสนใจพอเริ่มอายุมากเริ่มมีความทุกข์ เขามาล uh huh. เร้ามากถึง uh huh. เริ่มจะถามถึง uh huh. เรื่องของคําสอน uh huh. ของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ผมจะต้องกลับเรียนถามท่านในโอกาสต่อไปนะคะว่า uh huh. เราจะทําอย่างไรดีถึงทําให้พุทธศาสนิกชนเนี่ยได้ประโยชน์จาก uh huh. ศาสนาที่เราได้ชื่อว่าเป็นศาสนิกเนี่ย uh huh. อย่างเต็มเต็ uh huh. นะคะดังนั้นดิฉันเองประทับใจกับการที่ได้ทราบว่าท่าอาจารย์คึคกฤทิ์เนี่ยนะคะ สนใจในเรื่องที่จะดำรงไว้ซึ่งพระพุทธวจนะโดยตรงจากพระโอษ์เนี่ยก็เลยอยากจะให้ท่านสรุปเป็นถ้อยคันที่อาจจะใกล้เคียงกับคําของพระพุทธเจ้ามากที่สุด น, นะครับเพื่อเป็นสิริมงคลในการที่จะเริ่มต้นวันใหม่สงทายอีกครั้งหนึ่งค่ะคือเหตุที่เราต้องมาสนใจในคําของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เพราะว่าเป็นพุทธประสงค์ของท่านนะท่านบอกว่าสุดตันตะเหล่าใดที่ คนแต่งขึ้นใหม่เนี่ยจะเป็นคําร้อยกรองประเภทกลาบกรองเมกสอนสลัสลวยมีเพจชนะอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคํากล่าวของสาวกก็ตามเมื่อมีผู้นําสุตตันตะเรานะั้นมากเราอยู่เนี่ยเธอจับไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจับไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนนะแล้วท่านก็พูดกลับกันว่าส่วนสุตตันตะเราใดเนี่ยที่เป็นคําของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ่งเป็นชั้นโลกุตละเนี่ยว่าเฉพร์ด้วยเรื่องสุญญตา เมื่อมีผู้นำสุดตันตะเราน้ำหนกักเราอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมมงียบหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ตัวถึงและย่อมสําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเ่าเรียนนะเราจรึงเห็นประเด็นตรงนี้ว่าพระเจ้าเนี่ยต้องการให้เข้ามาสนใจคำของท่านนะเพราะจะเป็นบริษัทที่เลิศที่สุดนะและคําสอนที่ท่านบอกบ่อยสอนบ่อยแต่กลับไม่ค่อยได้สอนกันในทุกวันนี้ก็คือเรื่องการละนันทีคือความเพลินนะค่ะ ซึ่งท่านบอกว่าการที่เราละความเพลนได้เนี่ยเราก็จะละความพอใจได้ละความพอใจได้เราก็จะไม่เปลนแค่ละความเพลินละความพอใจเนี่ยจิตหลุดพ้นได้มันเป็นวิธีง่ายๆที่ฆราวาทุกคนเนี่ยน่าจะนําไปใช้ได้ในทุกๆอิเลเวตของเขายืนเดินนั่งนอนหรือทํางานก็ตามก็สำหรับท่านผู้ฟังอาจจะอาจจะฟังยาก สักนิดหนึ่งนะคะคนที่ไม่เคยฟังมาก่อนในส่วนที่เป็นคําของพระพุทธเจ้าดิฉันเองเนี่ยการสัมผัสคําของพระพุทธเจ้าครั้งแรกก็มีความรู้สึกว่ายากจังแต่พอฟังบ่อยๆเข้าก็เกิดความคุ้นเคยมากขึ้นเรื่อยๆอย่างไรก็ตามนะคะอยากจะบอกว่าเราก็ควรจะทําหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดีก็คือที่จะสืบทอดของที่ ถูกต้องออเอาไว้แล้วก็มันไม่ยากเกินที่จะทำความเข้าใจแต่เนื้อสิ่งอื่นใดคือถ้าเราสนใจจริงๆประโยชน์มันไม่ได้ไปไหนนะคะเริ่มต้นที่ตัวเราเองแล้วก็จะแผ่ไปให้กับคนรอบข้างก็อยากจะกลับเรียนทั้งฟังนะคะว่าสำหรับรายการของเรานี้นจะพบกันเป็นประจำตอนตี5้ถึงตีหครึ่งโดยมีดิชันสันสินีนาคงนะคะที่จะเป็นผู้ดาเนินรายการแล้วก็ได้ น้ำสศ ก, การกราบเรียนพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสธิพโลแห่งวัดนาปากพงที่คลองสิทธิ์ลำลูกกานะคะที่จะมาะตอบคำถามที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยได้ประโยชน์ในการที่เอาข้อธรรมมาทำให้ใจของเราเนี่ยเยือกเย็นมากขึ้นแล้วก็เป็นภูมิคุ้มกันในการที่เราจะไปต่อสู้กับชีวิตข้างนอกซึ่งทุกอย่ น, นี้ดิฉันเชื่อนะคะว่าหลายคนมีความทุกข์กับสภาพแวดล้อมของสังคมอ่กตัวดิฉันเองเนี่ยก็เลือกที่จะ มาทำรายการธรรมะนะคะเพราะเห็นว่ารายการที่ทำให้คนเครียดเนี่ยมีเยอะมากแล้วและ <laughs> คิดว่าเป็นอะไรที่เหมาะสมกับสถานการณ์มากที่สุดก็นำมัสักการะขอบพระคุณท่านอาจารย์ในะ <laughs>